ประสูระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อว่าประสูระพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ประสูระประิภาชกในถ้ำกลางพุทธบริษัทดังนี้สมณพรามเป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐิของตนนั้น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 เป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกคัดค้านตกไปย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาสแสวงหาข้อแก้ตัวบริษัทผู้พิจารณาปัญหากล่าวว่าทะของเขาว่าเลวถูกคัดค้านให้ตกไปแล้วเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคร่ำครวญเศร้าโศกทอดถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้วการวิวาทเหล่านี้เกิดแล้วในหมู่สมณนะความยินดีและความยินร้าย มีอยู่ในการวิวาทเหล่านี้บุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคำขัดแย้งกันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อื่นนอกจากการได้ความสันเสริญก็หรือว่าบุคคลกล่าววาทะในท้ำกลางบริษัทได้รับความสันเสริญเพราะทิฏฐิของตนนั้นเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้ว ความลำพองตนย่อมเป็นภูมิสาหรับย่ายีของเขาเขาจึงกล่าวคำถือตัวและคำดูหมิ่นกันบุคคลเห็นโทษนี้แล้วไม่ควรวิวาทกันเพราะผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความหมดจดด้วยความวิวาดกันนั้นคนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของสวยของพระราชาเขาคึกกนองอยากพบคนกล้าฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบชั้นใดเจ้าลัทธิ ย่อมได้พบเจ้าลัทธิฉันนั้นผู้กล้าเอย๋ยเจ้าลัทธิอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเถิดเพราะกิเลสที่เคยมีแต่ก่อนของตถาคตมิได้มีเพื่อการรบชนเหล่าใดเธอทิฐิแล้ววิวาทกันและกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงเธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ากิเลสที่เป็นฆาสึกกันเมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้ พระอรหันต์เหล่าใดกำจัดเสนาได้แล้วไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฏฐิเที่ยวไปพระอรหันต์เหล่าใดในธรรมวินัยนี้ไม่มีความถือมั่นสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมปสูระเอย๋ยเธอจะพึงได้อะไรในพระอรหันต์เหล่านั้นอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วเธอคิดทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจมาถึงการแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดแล้ว ย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยพระสูระสูตรที่แปดจบเก้ามาคันธิยะสูตรว่าด้วยมาคันธิยะพราหม์พระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันธิยะพราหม์พร้อมพัญญาดังนี้เพราะเห็นนางตัญหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมเลยจะมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่าง ที่เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจระนี้ได้อย่างไรเล่าเราไม่ปราถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเท้ามาคันธิยะพรามทูลถามดังนี้หากท่านไม่ปราถนานารีผู้เป็นอิทธิรัตนะเช่นนี้ที่พระราชาผู้เป็นจอมคนจำนวนมากพากันปราถนาท่านจะกล่าวทิฏฐิศีลวัดชีวิตและการอุบัติขึ้นในพบว่าเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มาคันธยะการตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายในมาคันธยะพราหมณ์ทูลถามดังนี้ทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วมูนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายใน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 เพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หามิได้นักปราชสลัดทิ้งธรรมเหล่านี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบมาคันธิยะพราหมณ์กราบทูลดังนี้หากนักปราชส์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจดเพระาะสุตตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะญาณไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัด บุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัตนั้นก็หามิได้ข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมของท่านว่าเป็นเรื่องงวงงายแน่นอนเพราะสมณพราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาคันทิยะ เพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลายท่านจึงถามหนึ่งเนืองได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิดกว่าเขาหรือด้อยกว่วเขาผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้น บุคคลไม่วันไว้ในเพราะความถือตัวสามอย่างความสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิกกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงหรือบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงโตเถียงว่าเท็จ ด, ด้วยเหตุอะไรความสำคัญว่าเราเสมอเขาเราเลิกกว่าเขาหรือด้อยกว่วเขาย่อมไม่มีในพระอรหันต์ใด พระอาหารหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทำความเยื่อใยในกลามว่างจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคาขัดแย้งกันบุคคลผู้เป็นนาคะสงังอาจจากทิชิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงพูดจา ย, ยึดเถือทิชเหล่านั้น ดอกบวกก้านมีน้ำเกิดในน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมฉันใดมุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีไม่แปดเปื้อนในกรรมและโลกฉันนั้นมุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้มุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฐินั้นไม่ถูกกรรมและสุตตะนำไป มุนีนั้นไม่ถูกตันหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายมุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดมุนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วย่อมไม่มีความลุ่มหลงชนเหล่าใด ย, ยังยึดถือสัญญาและทิฏฐิชนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลกมาคัณฑยะสูตรที่9ก้าจบ ปุราเพทสูตรว่าด้วยก่อนการดับขันธปรินิพานพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้บุคคลมีทัศนณะอย่างไรมีศีลอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วข้าแต่พระโคตมะข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ กอนดับขันธทปรินิพานพระอรหันต์เป็นผู้คลายตัญหาไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นใครๆกำหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลางพระอรหันต์นั้นไม่ได้มุ่งหวังถึงตัญหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายบุคคลผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้อวดไม่ขนองพูดเรียปัญญาไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้สำรวมวาจานั้นแลชื่อว่าเป็นมุนี บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรังในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นวิเวกในภาษะทั้งหลายย่อมไม่ถูกนําไปในทิฐิทั้งหลายบุคคลนั้นเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงไม่เถเยทยานไม่ตรณีไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาสอเสียดบุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งที่น่ายินดี ไม่ประกอบในความดูหมิ่นละเอียดอ่อนมีปฏิพานไม่ต้องเชื่อใครและไม่ต้องคลายกำหนัดบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบไม่เดือดดานและไม่ยินดีในรถเพราะตัญหาบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สำคัญว่าเสมอเขาไม่สำคัญว่าเลิกก่าเขาไม่สำคัญว่าด้อยกัเขาในโลก กิเลสนะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลใดไม่มีที่อาศัยไม่มีตัญหาในภพหรือในวิภพบุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยเราเลือกบุคคลนั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้วบุคคลนั้นไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินทิฐิว่ามีอัตตาหรือทิฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคล น, นั้นเราปุตุชนหรือสมณพราหมพึงกล่าวหาบุคคล น, นั้นด้วยโทษใดโทษนั้นไม่เชื่อชูบุคคล น, นั้นเลยเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงไม่หวั่นไหวในพระวาทะทั้งหลายบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณี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 สบเอการลหาวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเละวิวาทพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้การทะเลาะการวิวาทความคร่ําครวญความเศร้าโศกความตรหนีความถือตัวความดูหมินและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้น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 และชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุพระพุทธเนรมิตรทูล ถ, ถามดังนี้ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความตัดสินใจมีมาจากไหน อันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทาเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วทมเหล่านั้นมีมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น ชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทําการตัดสินใจทําแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยย่อมมีในเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่บุคคลผู้มีสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและทําเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ ทำเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะแก่เธอพระพุทธเนรมิตรทูล ถ, ถามดังนี้ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหน เมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดขึ้นความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้อง พระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้เมื่อบุคคลดําเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ปราศจากสัญญาก็มิใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอื่นอีก ขอเชิญพระองค์โปรดตัดบอกธรรมนั้นด้วยเถิดสมณะพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักด้วยอรูปสมาบัิเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้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 เป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราช์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่การลหาวิวาทสูตรที่11จบ 2. จูละวิยูหสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็กพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์เจ้าละทิบางพวกยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของตนของตนถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธรรมแล้ว บุคคลใดคัดค้านทำนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจสมณพราหมณ์เหล่านั้นถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทและกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนพานไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยเป็นคนต่ำรามมีปัญญาสามสมณะพราหมณ์ทั้งหมดนั้นแหละเป็นคนพานมีปัญญาสามสมณะพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั้นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่ถ้าพวกสมณะพราหมณ์ไม่ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วไซบรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญา เพราะทิฏฐิของสมณพราห ม, ม้เหล่านั้นถือกันมาอย่างนั้นคนสองจำพวกกล่าวทิฏฐิได้ต่อกันว่าเป็นคนพาลเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงสมณพราหม์พากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะฉะนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพาลพระพุทธเนรมิตทูล ถ, ถามดังนี้สมณพราหม์บางพวกกล่าวทาใดว่าจริงว่าแท้ สมณพราหม์พวกอื่นก็พากันกล่าวทำนั้นว่าเปล่าว่วาเทศสมณพราหม์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้และวิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหม์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มูชนรู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาทกันสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สอง สมณพราหม์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองเพราะฉะนั้นสมณพราหม์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระพุทธเนรมิตรทูล ถ, ถามดังนี้เพราะเหตุไรหนอสมณพราหม์จึงพูดสัจจะไปต่างๆอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพูดพร่ำกันไปสัจจะที่สมณพราหม์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรือหรือว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างตกันเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกแต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันกำหนดความตรึกในทิฏฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวธรรมเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จเจ้าลทัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือ รูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดและอารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิน่นและดำรงอยู่ในทิฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดเจ้าลทัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาด ย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้พี่พร้อมด้วยอติสารทิฏฐิเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัดอภิเสกตนเองด้วยใจเพราะทิฐินั้นเจ้าลัทธิถือกันมาอย่างนั้นอันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวทามเพราะวาจาของผู้อื่นไซ้เขาก็เป็นผู้มีปัญญาทามพร้อมกับผู้นั้น และถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราชได้ไซบรรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนผ่านชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธรรมเอื่ น, นอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นเป็นผู้พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เดรัจฉีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฏฐิของตน พวกดีรัตถีพากันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นพวกดีรัตถีตั้งอยู่ในทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นอันหนึ่งเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันในแนวทางของตนใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะทิฏฐินี้เจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคนพาล มีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวเจ้าลัทินั้นตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกคนที่เกิดมาละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลกจูลวิยูหสูที่สิองจบ 13. ม, มหาวิยูหสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่พระพุทธเนรมิตรทูล ถ, ถามดังนี้สมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้ยึดถือทิฏฐิอยู่พากันกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงสมณพราหม์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะถูกนินทาหรือว่าจะได้รับความสรนเสริญเพราะทิฏฐินั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผลแห่งวาทะนี้น้อยนักไม่พอเพื่อความสงบเรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วมองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาสว่ากเกษมไม่พึงวิวาทกันพระพุทธเนรมิทุนถามดังนี้ทิฏฐิสมมติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุถุชน บุคคลผู้มีความรู้ย่อมไม่เข้าถึงทิฏฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงนั้นไม่ทำความพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินพึงถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สมณพราหมู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมทานวัดแล้วดำรงอยู่ได้กล่าวความหมดจดด้วยความสำรวมว่า พวกเราศึกษาในทิฐินี้แหละและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนําเข้าสู่พบถ้าบุคคลเคลื่อนจากศีลและวัดพลาดกรรมแล้วก็หวันไหวเขาย่อมเฝ้าแต่พร่ำเพอ้อและปรารถนาความหมดจดเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางผลัดพลากจากพวกฉะนั้น อริยสาวกและศีลและวัดได้ทั้งหมดและกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษเสียได้ไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจดงดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่เที่ยวไปสัมณะพราหมณ์เข้าไปอาศัยตะบะที่ตนเกลียดชังนั้นเข้าไปอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้เป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้า ยังไม่คลายตัณหาในพบน้อยพบใหญ่จึงยังพร่ำพูดถึงความหมดจดอยู่ความชอบใจวัตถุย่อมมีแก่ผู้กำลังปรารถนาอันหนึ่งความวันไหวย่อมมีเพราะวัตถุที่กำหนดแล้วความตายและความเกิดไม่ได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวิในนี้ภิกษุนั้นพึงวันไหวด้วยเหตุอะไรเล่าหรือจะพึงชอบใจในอะไรเล่า พระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้สมณพราหมบางพวกกล่าวทำใดว่าเยี่ยมแต่สมณพราหมพวกอื่นกลับกล่าวทำนั้นนั่นเองว่าเลววาทะของสมณพราหมเหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนอเพราะสมณพราหมเหล่านี้ทุกพวกต่างกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้อันหนึ่งสมณพราหมบางพวก กล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์แต่กล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเลวผู้สมณพราหมณ์ถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาดกันเพราะต่างกล่าวทิฏฐิสมมุติของตนของตนว่าจริงหากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนไซก็จะไม่พึงมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยเพราะคนส่วนมากต่างกล่าวยืนยันในแนวทางของตน พากันกล่าวถึงธรรมของผู้อื่นว่าเป็นสิ่งเลวทรามการบูชาลหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงเหมือนสมณพราหมพากันสัรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงเพราะความหมดจดของสมณพราหมเหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นยานที่ผู้อื่นพึงแนะนำไม่มีแก่พรามความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มี เพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้แล้วแท้จริงพราหมณ์ไม่เห็นธรรมอื่นว่าเป็นของประเสริฐสมณพราหมณ์บางพวกเชื่อความหมดจดพระทิฏิว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงถ้าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเพราะพวกสมณพราหมณ์แล่นเลยทางเห็นความหมดจดแล้ว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 เป็นผู้เชื่อชูทิฐิที่กำหนดไว้แล้วอาศัยศาสดาใดก็กล่าวว่าศาสดานั้นดีงามเพราะทิฐินั้นนรชนนั้นผู้กล่าวความหมดจดได้เห็นว่าแท้จริงในทิฐินั้นพรามพิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกำหนดไม่แล่นไปด้วยทิฐิทั้งไมผูกพันด้วยตัณหาและทิฐิเพราะญาณพรามนั้นครันรู้แล้วก็วางเฉยทิฐิสมมติที่เกิดจากปุตุชน แต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นพากันเถือมัน่นมุนีสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดในโลกนี้แล้วเมื่อคนทั้งหลายเกิดวิวาทกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมุนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยไม่เถือมัน่นแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมัน่นมุนีละอาสวะเก่าไม่ก่ออาสวะใหม่ไม่ดาเนินไปตามความพอใจ ทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นมุนีนั้นเป็นนักปราดพ้นขาดแล้วจากทิฐิทั้งหลายติเตียนตนเองไม่ได้ไม่ติดอยู่ในโลกมุนีนั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมุนีนั้นเป็นผู้ปรงพาระลงแล้วพ้นขาดแล้วไม่มีความกำหนด ไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรานาะมหาวิยูหสูตรที่13จบ 14. ตุวะตะกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน พระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันุพระอาทิตย์ผู้มีวิเวกมีสันติบททรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดับไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุพึงขจัดบาปรมท้องปวงที่เป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้าและอัศมิมาณนะด้วยมันตา ตันหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตันหาเหล่านั้นภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในหรือภายนอกแต่ไม่ควรทําความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นเพราะการทําความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสภิกษุไม่พึงสาคัญตนว่าเราเลิศ ก, กว่าเขา เราด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาเพราะคุณธรรมนั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอนเนกแล้วไม่พึงกําหนดตนดำรงอยู่ภิกษุพึงสงบกิเลสภายในนั่นเองไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาก็ไม่มีแต่ที่ไหน คลื่นไม่เกิดในสวนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่วันไหวชั้นนั้นภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหนพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุแจ่มแจ้งได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นพยานอันเป็นธรรมเครื่องกำจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงตรัสบอกปฏิปทาคือปฏติโมกหรือแม้สมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกพึงป้องกันหูไม่ให้ได้ยินคมามกทาไม่พึงติดใจในรถและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราเมื่อใดภิกษุถูกภสษะกระทบเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความคร่ำครวญในที่ไห น, ไหน ไม่พึงคาดหวังพบและไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวภิกษุได้ข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขบเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีไม่ควรทำการสะสมเมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นก็ไม่พึงสะดุ้งภิกษุพึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเว้นจากความะนองไม่พึงประมาทและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อย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 ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการบำบัดรักษาโรคภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทาแม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงลำพองตนพึงบรรเทาความโลภรวมทั้งความตรณีความโกรธและวาจาส่อเสียดภิกษุไม่พึงดํารงชีวิตในการซื้อขายไม่พึงกอกิเลเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหน ไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะอยากได้ลาบภิกษุไม่พึงเป็นคนมักโอดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งภิกษุไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทําความโ อ, โอ้อวดและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัด ภิกษุผู้ถูกคนเหล่าเอินเบียดเบียนได้ยินคำพูดมากของพวกสมณะหรือพวกคนพูดมากเหล่าเอินไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรูภิกษุรู้ธรรมนี้แล้วเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อรู้ความดับกิเลสว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำได้เห็นธรรมที่เป็นพยานซึ่งไม่ต้องเชื่อใครเพราะฉะนั้นเธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นนอบน้อมอยู่พึงงมั่นศึกษาทุกเมื่อตุวะตะกะสูตรที่ส4จบ